บุ๊กทูยี่สิบห้าดูเด็กกินในเมือง En la urbo ดิฉันต้องการไปที่สถานีรถไฟ Michato iri all' staziono ดิฉันต้องการไปที่สนามบิน ดิฉันต้องการไปที่ย่านใจกลางเมืองดิฉันจะไปสถานีได้อย่างไรคะดิฉันจะไปสนามบินได้อย่างไรคะ ดิฉันจะไปย่านใจกลางเมืองได้อย่างไรคะทีเอลมีอั e ิณูและอูร์บอเซ น, นดิฉันต้องการแทร็กซี่มีเบโซ n สท็กซีดิฉันต้องการแผนที่เมืองมีเบโซนสอูร์บอมาอนดิฉันต้องการโรงแรมมีเบนัสโฮเทลออ ดิฉันต้องการเช่ารถยนต์มีฉาทุสลูรเรนีอัลต์นี่บัตรเครดิตของดิฉันค่ะเยนมียาเ ค, ครดิตการต่ น, นี่ใบขับขี่ของดิฉันค่ะเยนมียาสติรเปรเมซในเมืองมีอะไรให้ดูบ้างคะา คุณไปเมืองเก่าสิคะ alla คุณไปเที่ยวรอบเมืองสิคะคุณไปที่ท่าเรือสิคะ alla ไปเที่ยวรอบท่าเรือสิคะ